คนจีนนะเมื่อวานที่หลวงพ่อชมไปเยอะว่าภาวนาดีนี่โดยธรรมชาติเนี่ยภาวนาเนี่ยมันจะไม่ดีตลอดมันจเจริญได้มันก็เสื่อมได้อย่างช่วงนี้เคยภาวนาดีผ่านไปอีกช่วงหนึ่งไม่ดีทั้งทั้งที่ทําถูกนะเพราะอะไรเพราะว่าดีเนี่ยเป็นของไม่เที่ยง หลวงพ่อถึงสอนเรื่อยๆว่าเราไม่ได้ภาวนาเอาดีแต่เราภาวนาให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของไม่เที่ยงเะ็ันเราภาวนาจิตใจสว่างสวรู้ตื่นเบิกบานผ่านไปช่วงหนึ่งก็มองๆ ม, มัวๆไม่ค่อยรู้ตัว เป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจเนี่ย ก, กลับไปเมืองจีนแล้วตกใจว่าพอนาสู้ตอนอยู่เมืองไทยไม่ได้นี่พอมันเสื่อมลงมันหมองมัวลงอย่าไปตกใจให้เราพอวนาไปตามปกติไม่ต้องคิดว่าจะเอาดีเพราะเราไม่ได้พอวนาเอาดีให้เราดูไปว่าเนี่ยแต่เดิมมันสว่างสัยสบา ย, บายตอนนี้มืดมัวไปแล้ว จิตที่สว่างก็ไม่เที่ยงเราดูไปอย่างสบายใจไม่นานมันก็สว่างขึ้นมปอีกก็เห็นไอ้จิตที่มัวมัวไปจิตที่เสื่อมไปก็ไม่เที่ยงเหมือนกันงั้นภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่คงที่ไม่ใช่ภาวนาเอาดีว่าดีไม่คงที่ถ้าคนไหนคิดจะภาวนาเอาดีนะต้องอกช้ำใจตายนะเพราะว่ามันของไม่เที่ยงมันดีได้มันก็เสื่อมได้ ตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะไม่งั้นเดี๋ยวกลับเมืองจีนแล้วตกใจตั้งหลักให้ดีไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาความสงบแต่ฝึกเพื่อเอาความจริงว่าทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างบังคับไม่ได้ต้องการเห็นแค่นี้แล้วต่อไปเวลามีสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย จิตมันฉลาดแล้วว่าทุกอย่างมันไม่คงที่เพรถ้าความสุขเข้ามานะเราก็ไม่เพลิดเพลินไปเรารู้ว่าไม่คงที่ความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเราก็ไม่หลงกลุ่มใจเรารู้ว่าไม่คงที่จะทั้งคนไทยเองนะภาวนาไม่เป็นออกภาวนาแล้วเอาดีเอาสุขเอาสงบนั่งสมาธิเอาความสุขความสงบอยากดี เสร็จแล้วก็เสื่อมเสื่มแล้วก็กลุ้มใจอย่างบางคนน่ะ<ม>ภาวนามากมายนะนั่งขยับทำจังหวะอย่างเงี้ยจะไม่ยอมให้ใจมันคิดนี่ทำผิดนะทำจังหวะเราก็จะไม่ให้ใจคิดเนี่ยผิดเพราะจิตมีหน้าที่คิดจะไปสั่งมันไม่ให้คิดไม่ได้หลวงพ่อเทียนขยับเนี่ยเพื่อจะรู้ทันจิตใจที่ไหลไปคิด หลังๆเริ่มฝึกกันนะจะไม่ให้มันคิดเพ่งเอาไว้อยากสุขอยากสงบอยากดีสุดท้ายก็เสื่อมใช้ไม่ได้งั้นถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วกับเมืองจีนน ะ, จะเจริญเราก็รู้เสื่อมเราก็รู้ถึงวันหนึ่งเราเห็นว่าจเจริญก็ไม่คงที่เนะสื่อมก็ไม่คงที่บังคับไม่ได้เท่าๆกัน เราก็จะเห็นว่าความสุขกับความทุกข์เท่าเทียมกันความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วหายเป็นของที่เท่าเทียมกันทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องรักษาศีลห้านะชั่วก็ดีเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายอันนี้เป็นเรื่องจริงความชั่วเกิดขึ้นอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปแต่เราต้องดี เพราะอะไรถ้าเราทําชั่วเนี่ยจิตใจเราจะมีความทุกข์ตามมาทีหลังเวลาทําความชั่วนะต่อไปจะได้รับความทุกข์ถ้าเราทําความดีนะจิตใจเราจะมีความสุขความเจริญมากขึ้นมากขึ้นและเจริญสติเจริญปัญญาต่อไปจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปเลยเงั้นเราไม่ทําชั่วนะทั้งๆ ท, ที่เราเห็นว่าความชั่วก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวแต่เราไม่ทําชั่ว ถ้าทำชั่วแล้วจะมีผลเป็นความเดือดร้อนทำความดีมีผลเป็นความสุขนการที่เรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยแล้วมันเสื่อมไปนะรู้หลักแล้วว่าเป็นเรื่องปกตินี่คนที่รู้ตัวแล้วเนี่ยมีที่ผิดอีกเรื่องหนึ่งคือรู้ตัวเป็ดแล้วเนี่ยมันเป็ดจำได้ว่าความรู้ตัวเป็นยังไงก็เลยจงใจจะรู้ตัว ถ้าเมื่อไรจงใจรู้ตัวนะจะรู้ตัวจริงๆเลยแต่ว่าใจจะแข็งแข็งแน่นๆ่นแข็งทื่อ น, นะจะรู้สึกอย่างนี้ยจะทำอะไรก็บอกรู้สึกหมดเลยแต่ใจนี่ไม่เป็นธรรมชาติใจไม่อ่อนโยนใจไม่นุ่มนวลใจไม่ว่องไวแข็งแข็งซึมซึ ม, ซมทื่อๆไปเมื่อเราไม่ต้องไปหวังว่าเราจะรู้ตัวตลอดเวลา24ชั่วโมง รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปกลายเป็นจิตหนีไปคิดจิตฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรก็รู้ใหม่ว่ามันไหลไปแล้วมันหนีไปแล้วมันก็รู้ตัวขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ตัวตามธรรมชาติธรรมดานะความรู้ตัวนั้นนะจะนุ่มนวลอ่อนโยนจะเบาใจจะเบาใจจะสบายใจจะมีความสุขแต่ถ้าเราจงใจจะรู้สึกตัวเราบังคับตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เผลอใจจะอึดอัดนะมีความทุกข์ทันทีที่ปฏิบัติเลย อย่างนั่งขยับเนี่ยจะไม่ให้เผลอใจจะอึดอัดหรือบางคนดูท้องท้องพองท้องยบเนี่ยจะไม่ให้เผลอเลยใจจะอึดัดเผลอก็ได้แต่อย่าเผลอนานเท่านั้นเองเผลอแล้วรู้ว่าเผลอตรงที่เผลอแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดขึ้นเพราะตอนเผลอเนี่ยจิตมันฝันไปแล้วมันฝันทั้งที่เราลืมตาอยู่นี่แหละจิตมันเผลอไปมันหนีไปคิดนั่นแหละมันก็ฝันไป ทันทีที่เรารู้ว่าฝันอยู่นะรู้ว่าจิตนี้ไปคิดอยู่จิตก็จะตื่นหลุดออกมาจากโลกของความฝันมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตจะเบาจิตจะนุ่มนวลจิตจะอ่อนโยนจิตจะว่องไวนะจิตสบายมีความสุขเราก็ใช้จิตที่รู้เนื้อรู้ตัวสบายๆเป็นธรรมชาติธรรมดา น, นี่แหละมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรื่อยๆไป อย่าไปจงใจรู้สึกตัวเผลอบ้างดีว่ารู้สึกตลอดรู้สึกตลอดไม่ใช่ของจริงเพราะอะไรเพราะความรู้สึกตัวเขาไม่เที่ยงเหมือนกันจงใจไปรู้สึกอยู่แข็งแข็งนะใช้ไม่ได้หรอกมีแต่ความทุกข์จิตที่รู้สึกตัวมีความสุขสบายไม่มีความสุขแต่พอเราจงใจรู้สึกตัวจิตจะแน่นๆ่นอึดอัดไม่มีความสุขแม้เรา คอรู้ทันเรื่อยๆทุกวันแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบวันหนึ่ง15นาที20นาทีไม่ต้องมากเราเป็นคารวาสเราต้องอยู่กับโลกเราแบ่งเวลาไว้นิดหน่อยไหว้พระสวดมนต์ไหว้ไม่ต้องยาวไหว้นิดหน่อยพอเราลึกถึงพระพุทธเจ้ารา ล, ลึกถึงพระธรรมรา ล, ลึกถึงพระสงฆ์เราลึกถึงครูบาอาจารย์ไหว้พระเสร็จแล้วนะเราก็มาทํากรรมฐานอันหนึง่งอะไรก็ได้ที่เราถนัด แล้วเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ้างจิตไหลไปเพ่งบ้างเช่นเรารู้ลมหายใจเราเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ตัวลมหายใจนะให้เห็นทั้งตัวเนี้ยร่างกายนี้มันหายใจเห็นร่างกายหายใจอยู่บางทีใจก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาอีกบางทีเราเห็นร่างกายหายใจอยู่แล้วจิตเราไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจจิตจะทื่อๆขึ้นมา เราก็รู้ทันว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจละจิตแค่จะตื่นขึ้นมาอีกไม่เคลื่อนไปจิตตั้งม่านรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เราซ้อมทุกวันนะซ้อมรู้ทันจิตที่เคลื่อนซ้อมทุกวันจะพุโทโธพุโทโธก็ได้ไม่ชอบพุโทโธจะเอาอย่างอื่นก็ได้หรือจะรู้ลมหายใจก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้เดินไปแล้วรู้สึกตัว เดินไปแล้วใจจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดแล้วเดินไปแล้วจิตมาเพ่งร่างกายมาเพ่งเท้าอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เราก็รู้ว่าจิตไปเพ่งแล้วไปเพ่งร่างกายเพ่งเท้าแล้วเนี่ยทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทุกวันสักาง15นาทีแล้วคอยรู้ทานจิตที่เคลื่อนไปเราจะได้สมาธิที่ดีคือสมาธิแห่งความตื่นแล้วต่อไปเรามาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ย จิตเราหลงไปเราจะรู้เร็วๆมันจะรู้ได้เองนะจะตื่นขึ้นมาจะูลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราเห็นร่างกายทำงานเราเห็นจิตใจทำงานอย่างเวลาเรากวาดบ้านเช็ดบ้านเราซักผ้าเราเห็นร่างกายมันทำใจเราเป็นคนดูนหรือต่อไปร่างกายมันแก่เราเห็นร่างกายมันแก่ใจเราเป็นคนดูมันไม่สบายเราเห็นร่างกายเจ็บป่วยนะ ใจเราเป็นคนดูใจเราไม่กลุ่มใจมีความสุขต่อไปกระทั่งร่างกายนี้จะตายนะใจก็เป็นคนดูมีความสุขนะไม่เดือดร้อนเลยแล้วก็คอยรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปคอยรู้ไปนะสุขจะมาหรือสุขจะไปเราก็สั่งไม่ได้บางทีตาเรามองเห็นพอตาเรามองเห็นสิ่งที่เราพอใจนะใจเราก็มีความสุข บางทีเราไปเห็นสิ่งที่เราไม่พอใจเราก็มีความทุกข์เราจะเห็นสิ่งที่พอใจหรือสิ่งที่ไม่พอใจเราเลือกไม่ได้อย่างเรานั่งรถไปเนี่ยเราเห็นดอกไม้สวยงามก็ได้เราเห็นของสกปลกริมถนนก็ได้เราเลือกไม่ได้แต่พอเห็นของสวยงามเราชอบเรามีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขเราเห็นของไม่สวยมันไม่ชอบนะใจเกลียดใช่ไหมรู้ว่าใจเกลียดรู้ว่าใจไม่มีความสุข นเนลราฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆเราฝึกกันแบบนี้เราให้ตามองเห็นเราให้หูได้ยินเราให้จมูกได้กลิ่นเราให้ลิ้นได้รสเราให้ร่างกายสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายเราปล่อยให้ใจคิดแต่เมื่อตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดแล้วเนเกิดสุขให้รู้ทัน เกิดทุกข์ให้รู้ทันจะเห็นว่าสุขทุกข์เราสั่งไม่ได้หรอกแล้วมันก็อยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปหรือตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนะเกิดกุศลขึ้นมานะเกิดใจเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาให้เรารู้ทันว่าใจเป็นกุศลลเกิดใจโลภใจโกรธใจหลงก็ให้รู้ว่าใจโลภใจโกรธใจหลงแล้ว ลบปวดหลงมันก็ตามหลังการกระทบมานั่นเองตายหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์หกช่องทางนี้กระทบอารมณ์ก็เกิดสุขบ้างเกิดทุกบ้างเกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างไม่ใช่ไปฝึกว่าห้ามกระทบะไม่ดูไม่ฟังไม่คิดให้มันกระทบไปเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกรู้ทัน เกิดกุศลรู้ทันเกิดอกุศลรู้ทันไม่ห้ามการกระทบนะส่วนกระทบแล้วจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ก็แล้วแต่มันจะเกิดกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่มันเราเพียงแค่รู้เท่านั้นเองสุขเกิดก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้กุศลเกิดก็รู้อกุศลเกิดก็รู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าทุกอย่างนี้เราบังคับมันไม่ได้แล้วมันอยู่ชั่วคราวมันก็าหายไป เนี่ยเราพาให้จิตมาเรียนรู้ความจริงนะทั้งในร่างกายทั้งในจิตใจนี่แหละมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่ทนอยู่ไม่ได้นานนะมีแต่ของที่บังคับไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้มากๆใจยอมรับความจริงได้ต่อไปเราจะอยู่ในโลกยังมีความสุขคนอื่นเศร้าโศกเพราะความแก่เราไม่เศร้าโศกคนอื่นเศร้าโศกเพราะความเจ็บไข้เราไม่เศร้าโศก คนอื่นเศร้าโศกเพราะจะตายแล้วเราไม่เศร้าโศกคนอื่นเศร้าโศกนะเพราะเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเราไม่เศร้าโศกคนอื่นเศร้าโศกเพราะว่าอยากเจอของที่ชอบแล้วไม่ได้เราไม่ไม่ได้ของที่ชอบมาเราก็ไม่เศร้าโศกเจอของที่ไม่ดีเราก็ไม่เศร้าโศกเจอของไม่ได้ของที่ดีอยากได้ไม่ได้ก็ไม่เศร้าโศก เนี่ยเราจะฝึกเจอกระทั่งเราอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้แหละไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิไปฝึกจิตให้เงียบเงีบนะเป็นการเจริญปัญญาเห็นความจริงของชีวิตไปเจนกระทั่งปัญญามันแก่กล้าแล้วมันจะไม่เศร้าโศกอีกต่อไปพอไหวไหมงั้นขั้นแรกนะฝึกให้รู้ตัวรู้สึกตัววิธีให้รู้สึกตัวก็คือรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปรู้ทัน จิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ลงไปเพ่งรู้ทันนะแล้วใจก็ตื่นขึ้นมาใจตื่นขึ้นมาดูร่างกายทางานดูจิตใจทำงานร่างกายกวาดบ้านไม่ใช่เรากวาดบ้านร่างกายซักผ้าไม่ใช่เราซักผ้าร่างกายอาบน้ำร่างกายแต่งตัวนะไม่ใช่เราทำเนะี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้า ร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานะในจิตใจก็จะเห็นเลยเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นเราสั่งไม่ได้และสุขทุกข์ดีชั่วที่เกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวก็หายไปเนะี่ยเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจอย่างนี้นะรู้ไปเรื่อยแล้วต่อไปเราจะอยู่ในโลกแบบไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความทุกข์ นี่วันนี้สรุปรวบยอดให้ฟังนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปฟังที่ศาลาลุงชินแล้วเดี๋ยวจะกับเมืองจีนแล้วนะงั้นสรุปให้ฟังรู้สึกตัวสบายๆนั่งเชียเตก็ได้อย่างอากาศหนาวๆจิบน้ำชาอุ่นๆสบายใจรู้ว่าสบายใจ ชอบหรือว่าชอบรู้ไปสบายๆตามีก็ดูหูมีก็ฟังใจมีก็คิดให้มันทำงานเดี๋ยวทงานแล้วมีสุขให้รู้มีทุกข์ให้รู้เป็นกุศลให้รู้เป็นอกุศลให้รู้รู้เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างนี้ชั่วคราวทุกอย่างนี้บังคับไม่ได้แค่นี้แหล ะ, ะจับหลักให้แม่นๆนะ แล้วการภาวนาต่อไปนี้ยจะเจริญแล้วเสื่อมเรื่อยๆไปภาวนาแล้วจเจริญดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมแล้วก็ดีแล้วก็เสื่อมนะแต่ตอนมันเสื่อมลงมาเนี่ยมันเสื่อมไม่เท่าเก่าแล้วมันดีกว่าเก่าแ้วมันเสื่อมไม่เท่าเก่ามันจะค่อยๆขึ้นไปนะค่อยๆฝึกไปช่วงสามเดือนเราย้อนมาดูเราจะรู้สึกเลยโ่าเราสูงขึ้นมาแล้แต่ก่อนมันอยู่แค่นี้ พอในอีกสามเดือนทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เห็นว่าเดี๋ยวก็ดี mm hmm. เดี๋ยวก็แย่ย้อนดูสามเดือนที่ผ่านมาโอ้ก็พัฒนาขึ้นมาอีกล ะ, ะจะค่อยๆพัฒนาไปไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสุขไม่ได้เอาสงบเอาความจริงพอไหวไหมฟังเสียงละคขังฟังแล้วชอบหรือไม่ชอบ อย่าจงใจดูนะว่าชอบไม่ชอบถ้าจงใจดูแล้วเฉยๆทำใจสบายรู้สึกแม้เสียงกระทบหูนะแล้วมันมาสะเทือนอยู่ในใจใจสั่นพลิ้วๆๆๆหยุดนะสะเทือนเข้ามาที่ใจเวลาคนเดินมาใจเราก็วิ่งไปหยุดที่เขาเราห้ามไม่ได้ น, นเราไม่ห้ามเมื่อห้ามไม่ได้ก็อย่าไปห้ามมันแค่ว่าใจมันวิ่งไปแล้วเรารู้ทันเวลาตามองเห็นใจก็หนีไปหูได้ยินเสียงใจก็หนีไปใจมันคิดใจก็หนีไปให้รู้ทันใจที่หนีบ่อยๆนะเราจะได้สมาธิที่ดีได้ใจที่ตื่นได้ใจที่ตั้งมัน่นหะลวงพ่อจะหยุดพูดนิดหนึ่งนะแล้วพวกเราห้ามคิดนะลองดูสิ ห้ามคิดคิดไหมไม่คิดเรารู้ได้ไงว่าถามว่าอะไรบางทีก็คิดพุทโธพุทโธนะบางทีก็ไปเพ่งไปจ้องไพยายามจิตมีธรรมชาติคิดนะ้เราไม่ห้ามมันะไอกคิดแล้วเกิดสุขให้รู้คิดแล้วเกิดทุกข์ให้รู้คิดแล้วเกิดดีให้รู้คิดแล้วเกิดชั่วให้รู้นะไม่มีใครห้ามความคิดได้หรอก อย่างมากก็เพ่งให้นิ่งๆไปได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็แอ บ, บคิดใหม่นะห้ามมันไม่ได้จิตมีธรรมชาติคิดนะบางคนเข้าใจผิดนะกระทั่งในเมืองไทยเรียนกันนะคิดจะฝึกกรรมาฐานจะไม่ให้คิดถ้าคิดมเมื่อไหร่ก็จะไม่รู้ตัวก็เลยจะไม่คิดหลวงปู่ดูลสอนนะอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยสอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุดคิดถึง่ารู้แต่ต้องอาศัยคิดคิดไปแล้วร่วหลงไปแล้วมันก็รู้ตัวขึ้นมาคิดไปแล้วเกิดสุขรู้ทันก็เห็นสุขไม่เที่ยงคิดไปเกิดทุกรู้ทันก็เห็นทุกข์ไม่เที่ยงคิดไปแล้วเกิดดีเกิดชั่วก็เห็นว่าดีกับชั่วไม่เที่ยงเนี่ยดูอันนี้นะดูไปเรื่อยไม่บังคับตัวเองให้ผิดธรรมชาติใช้ชีวิตอย่างธรรมดาที่สุดเลย มีคนเคยไปบอกท่านพุยเนงไว้หลังคนไทยเรียกไว้หลังไปบอกว่าอาจารย์ชื่ออาจารย์ออหลุนอะซีจีนกลางเรียกว่าอะไรไม่รู้อาจารย์อหลุนอยู่วัดใกล้ๆ ก, ก, กันเนี่ยบอกว่าถ้าใครอยากภาวนานะมาบอกจะสอนให้จะสอนวิธีปฏิบัติให้ท่านหุยเนงบอกว่าเราไม่มีวิธี แค่รู้สึกตัวขึ้นมานะตื่นลืมตาขึ้นมาแนละ้วรู้สึกเอาทันไม่เห็นมีวิธีต้องทำอะไรเลยนะจิตมันได้เรียนรู้ของมันเองนี่บางคนส่วนใหญ่ส่วนมากของนักปฏิบัตินะึคิดว่าถ้าจะปฏิบัติจะต้องทำอะไรที่เกินธรรมดาจะนั่งก็นั่งไม่เหมือนคนอื่นจะหายใจก็หายใจไม่เหมือนคนอื่นจะเดินก็เดินไม่เหมือนคนอื่นต้องมีท่าทางพิเศษเดิน เรียบร้อยกรรมาฐานจริงๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรหิวก็ไปกินง่วงก็ไปนอนนะร้อนก็ไปอาบน้ำแต่ไม่ได้สอนบอกว่าตกะกร้าให้ไปกินนะบอกว่าหิวให้ไปกินนะไม่ได้บอกว่าขี้เกียจให้ไปนอนนะบอกร่างกายมันเหนื่ยง่วงให้ไปนอนแต่ขี้เกียจไม่ให้นอน การปฏิบัติธรรมจริงๆกับการใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยเป็นอันเดียวกันการใช้ชีวิตธรรมดานี่ก็คือตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยชีวิตที่ธรรมดาแต่เมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็แค่ให้รู้เท่านั้นเองแล้วจิต จะเรียนรู้เองว่าทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงทุกอย่างนี้บังคับไม่ได้ไม่มีใครสั่งจิตให้ฉลาดได้เราพาจิตให้เรียนรู้ความจริงแล้วจิตฉลาดเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้เราพาจิตให้เรียนรู้ความจริงแล้วจิตบรรลุเองจิตนี้เหมือนลูกเรานะเหมือนลูกเราเราไปสั่งให้ลูกฉลาดไม่ได้ สั่งให้ลูกเก่งไม่ได้แต่เราให้ลูกเรียนหนังสือได้ส่วนจะเก่งหรือจะไม่เก่งอยู่ที่ตัวเด็กเองนะจิตนี้ก็เหมือนกันเราสั่งให้มันดีอย่างน้นอย่างนี้ไม่ได้แต่เราพามันเรียนรู้ความจริงพามันเรียนหนังสือคือมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจและมันฉลาดเองมันเกิดความเข้าใจเพราะมันฉลาดนะั้นมันจะไม่ทูกกับโลกอีกนะที่เราทุกอยู่กับโลกนี้เพราะจิตมันโง่ จิตมันโง่ตรงไห น, นอย่างเราแก่เราไม่อยากแก่ชีวิตนี่ต้องแก่เราไม่ยอมรับความจริงเราอย่างโง่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่อยากเจ็บเราไม่ยอมรับความจริงว่าชีวิตต้องเจ็บป่วยเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะตรวโง่เราไม่ยอมรับความจริงเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักทุกคนจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักนะ วันที่เราตายก็ต้องพลัดพรากทุกคนแลนะบางทีไม่ทันตายเลยมีสามีมีพัรยามันนอกใจเราไปอยู่กับคนอื่นก็มี ห, มหรือเราอยู่กับลูกเราวันหนึ่งลูกถูกผู้ร้ายจับเอาไปอย่างี้ลูกก็พลัดพรากไปเนะี่ยชีวิตจริงๆนะเป็นอย่างนี้คนยอมรับไม่ได้คนจะมีความทุกข์แต่ถ้าเราพาจิตให้เรียนความจริงมากๆนะว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างมัคับไม่ได้ ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์นะจำไว้นะไม่ใช่ฝึกบังคับจิตให้นิ่งแล้วไม่ทุกข์นะนั่นไรเดียงสาเพราะจิตเน่าบังคับไม่ได้สงบได้ชั่วคราวทําสมาธินิ่งได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่ละนั่นเราพามันเรียนความจริงไปด้วยคําว่าพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะแปลว่าอะไรศา ส, สนาพุทธเนี่ยพุท ธ, ธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ไม่ใช่ผู้เพ่งให้จิตนิ่งๆรู้อะไรรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะมีความเบิกบานในตัวเองแล้วก็รู้อะไรต่อไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นใจก็ยิ่งฉลาดขึ้นเบิกบานสว่างสวัยมากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่ง้ความโง่เป็นความมืดนะปัญญาเป็นความสว่างสวยัยแล้วมันสว่างจริง ตอนที่ปัญญาขั้นโล ก, กุตระเกิดเนี่ยบางคนนะโลกธาตุดับลงไปเลยนะพระทิศพระจันทร์ไม่มีเลยนะแสงสว่างใดๆในโลกไม่มีเลยเหลือแต่ความสว่างของจิตที่มีปัญญาอย่างเดียวนะครอบโลกเลยนะนั้นปัญญานั้นเป็นแสงสว่างต่อไปนี้ไปปฏิบัติธรรมนะด้วยการกินข้าวไม่ใช่ให้ไปตะกระนะ ให้ไปไปฏิ บ, บัติทำกินข้าวแต่ไม่ใช่กินแบบสังกตาย <c oughs> อย่างนี้ไม่เอานะางนั้นทรมานตัวเองไปไปกินข้าวแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำนะเดินไปเดินมา <c oughs> เห็นร่างกายทำงาน <c oughs> เห็นจิตใจทำงานนะ